ตอนเกิดเป็นดังตรินตอนวิถีแห่งคนโง่กล่าวได้ว่าเต๋าแตกเก่งของท่านเหล่าจือ้อซึ่งถูกนำมาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยโดยคุณพจนาจันสันติคือแรงบันดาลที่ยิ่งใหญ่หน่าอัศจรรย์ใจ